จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2562 ผู้เชี่ยวาตตราจารย์ยงยุทธหนุนเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการการดําเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจําปี2562หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายจำเริญทิพยพงษ์ทาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมดําเนินการสําหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปี2562ันาหกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์สองพมหาวิทยาลายัยเทคนโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรม ร, ราชโดยภายในงานจะเป็นการแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมผลผลิตการแปรรูปกระบวนการทางการเกษตรที่สําคัญของชาติในทุกสาขาวิชาในประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรตลอดจนประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุมณห้องประชุม ab สามหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชประหลัดกระทรวงสาธา ร, รณสุขเตือนนักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวป่าเขาระหว่างโรคไข้าราษสร์ใหญ่จากไรออนนายแพทย์สุ ข, ขุมการจนาพิมายประหลัดกระทรวงสาธา ร, รณสุข เตือนประชาชนที่นิยมไปท่องเที่ยวตามป่าธรรมชาติสัมผัสอากาศหนาวเย็นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าให้ระวังป่วยโรคสครับไทฟัสหรือโรคไข้ารากาสาดใหญ่ที่เกิดจากไรอ่อนในปากัดพร้อมแนะนำว่าหากพบแผลถูกกัดลักษณะเป็นรอยบุมสีดำคล้ายแผลบุรีจีมีไข้สูงปวดศีรษะมากโดยเฉพาะขมับและหน้าผากภายใน3มสัปดาห์หลังจากการท่องเที่ยวป่า ขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการท่องเที่ยวด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคสครับไทฟัสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวไรอ่อนซึ่งมีขนาดเล็กมากและอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าใกล้กับพื้นดินโดยไรยอ่อนจะกระโดดเกาะตามเสื้อผ้าของคนและกัดผิวหนังที่สัมผัสกับเนื้อเสื้อผ้าทั้งนี้แนะนำว่าการตั้งแคมป์ กลางเต็นท์นอนในป่าควรกลางบริเวณโล่งเตียนหลีกเลี่ยงการนั่งและนอนบนพื้นหญ้าบริเวณพุ่มไม้ป่าละเมาะหรือหญ้าที่ขึ้นรกและควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21่สนาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเด e ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี